แนะนำบทอัลไบยนะบทอัลไบยนะเป็นบทมดานียะมีแปดองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ท่าทีของชาวคัมภีร์ที่มีต่อศาลของมูฮัมหมัดสุล ล, ลั ล, ลวะไลวะสลัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการพักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในปรโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยาฮูดและพวกนาซรอ และท่าทีพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลซลละเวเลวัลัมหลังจากที่ความจริงได้ประจักฏและหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนบีผู้ถูกทรงมาในยุคสุดท้ายนี้พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านอยู่ฉันเมื่อท่านรอซูลได้ถูกทรงมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาและต่อต้านบทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานสําคัญของการศรัทธา คือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ยิ่งใหญ่โดยดำลึกถึงพระองค์และมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ทั้งคำพูดและการการะทําและการปฏิบัตินอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทําความผิดคือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีร์และพวกมุสลิมในนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบ้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธาและการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบริสุทธิ์ พร้อมกับบรรดาาบีบรรดาผู้ยึดมั่นในความศัตว์และบรรดาคนดีๆทั้ทงนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลละโลกด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ บรรดาผู้ปฏิเสธสถานในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเจวตนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานนันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขารสลุมมิลลอฮีอัลลอซุุหมุตฮระ คือศาสนาทูตท่านหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคำพีอันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคำพีนั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่าและบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีอัลลอลกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกัน เว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วและพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพพักดีต่ออลัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่าย z a กาและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรมอินนัลลอีนักฟรูมินอเหลลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนาริจฮันนัมัชฮัลบีนฟีฮาอุลอยค์กุมชัฟุลบรียะ ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคำภีและพวกบูชาจุเวตนั้นจะอยู่ในนรกยานนำโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วชายิ่งแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย คนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งการตอบแทนของพวกเขา หน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลายผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดก า, อาลอโลทรงปิติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพรุ่งนั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา